จิตแยกจากอารมณ์การแสดงบทบาทออกไปเนี่ยคือแสดงอาการโกรธแต่ภายนอกแต่จิตภายในไม่ได้กระเพื่อมด้วยความโกรธมันคล้ายๆกับว่ามารยาของจิตเช่นอย่างเราสอนคนที่มันปัญญาทื่อหน่อยมันไม่จำมันไม่เข็ดมันไม่หลบับ ก็อย่างที่เขาว่าหลวงปู่มหาบัวดุนั่นแหละแบบเดียวกันอาการปีติในสมาธิบางทีมันน้ำตาไหลมันร้องไห้เป็นเสียงออกมาจริงๆแต่ว่าตัวร้องไห้มันก็ร้องไปตัวนิ่งมันก็นิ่งลักษณะของมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตมันรู้ทันปีติรู้ทันอารมณ์ปีติก็คืออารมณ์ ทีนี้ในเมื่อมีอะไรรุนแรงขึ้นมามันก็แยกตัวพับคล้ายๆกับว่ามันท้าทายว่าอยากร้องก็ร้องไปสิสิไม่ใช่เรื่องของฉันทีเนี้ยตัวจิตตัสมนึกมันก็นิ่งเฉยอันนี้หลวงพ่อเคยร้องไห้มาแล้วไปสวดมนต์ในวังครั้งแรกพอไปถึงแก่งคอยก็ไปนึกถึงว่าพ่อตายอยู่ที่ไหนจะกำหนดจิตบูทิศสวนกุศลให้พ่อสักหน่อย พอกาหนดไปพับมองไปข้างหน้าสายตามันพร่าแล้วก็เห็นตาแก่คนหนึ่งแบกเด็กน้อยลอยผ่านหน้าไปพอรับสายตาไปจิตสำนึกก็คิดว่าพ่อแบกเรามาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ร้องไห้สสอึกสะอื่นขึ้นมาทันทีคนที่นั่งมาในรถเขาก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นอะไรก็ตอบเขาว่าเฉยเฉยเดี๋ยวก็รู้พออาการอย่างนั้นหายไป ก็เล่าให้เขาฟังปีติมันเกิดจากกายต่างหากละ่ะเช่นอย่างเรามีเรื่องคําคันนี่เราหัวเราะจนไส้ขดไส้แข็งเราเมื่อยเกืบตายเราไม่อยากหัวเราะแต่มันก็อดไม่ได้นั่นคือความเป็นเองของร่างกายอันนี้มันได้หลักมาจากว่าภายในตัวของเรานี่สมองเป็นผู้สั่งกาย กองบัญชาการในสมองที่มันสั่งการออกมานี่ให้ร่างกายมันเตี้ยให้ร่างกายมันโตให้ร่างกายมันสูงโย่งอย่างพระสูงที่วัดสะพานสูงอันนี้เป็นเรื่องของสมองทั้งนั้นทีนี้สมองอันนี้คำสั่งของสมองอยู่ที่จิตดวงนี้ทังหลักของการสะกดจิตเขาเรียกว่าจิตอิสระ จิตอิสระดวงนี้คอยบังคับดูแลและใช้เครื่องจักรกลไกต่างๆในร่างกายให้ทำงานให้แกเราอย่างตรงไปตรงมาถ้าพูดถึงเรื่องจิตและสรีระศาสตร์ฝรั่งเขาศึกษาได้ละเอียดกว่าเราของเราศึกษาแต่ด้านจิตด้านเดียวแต่เรื่องสรีระศาสตร์ไม่ได้ศึกษาก็เพียงแต่เพ่งอาการสามบสองแต่ไม่ได้ตีความหมายว่าอะไรเป็นอะไรมีประโยชน์อย่างไร ความคิดอะไรนี่เราก็ถือว่ามาจากจิตอย่างเดียวแต่จิตอย่างเดียวมันคิดไม่เป็นต้องอาศัยประสาททางสมองเราจะรู้แจ้งเห็นชัดต่อเมื่อเราเข้าสมาธิแล้วร่างกายตัวตนหายไปจิตมันก็ได้แต่นิ่งอยู่เฉยเฉยจิตที่นิ่งอยู่เฉยเยเนี่ยมันรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันแต่มันพูดไม่เป็นแต่พอมาสัมพันธ์กับร่างกายพับ พอรู้เห็นอะไรมันจะพูดออกมาทันทีว่าอะไรเป็นอะไร